พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งรลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่16มกราคม2560มีชื่อเรื่องว่าศรัทธาในครูความรู้จึงจะเกิดคณะกูบายจาย์วันนี้นะว่าเป็นวัน มงขนมหามงขนยิ่งเป็นวันครูแห่งชาติอำเภอนายูงของเราหลวงพ่อได้สืบสอบถามท่านผอดอูได้ ว, ว่าครูโรงเรียนอำเภอนายยงของเราเนี่ยรวมทั้งกศนอด้วยทั้งหมดทั้งสามร้อยสามสิบคนก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันขนาดอำเภอเล็กๆ อำเภอสุดท้ายปลายแดนของเมืองอุดรมีครูถึงสามร้อยกว่าถ้าคิดเป็นเงินออกมาก็ไม่ใช่น้อยอีกเหมือนกันครูทั้งสามร้อยถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมาหามงคลยิ่งวันหนึ่งที่เป็นวันครูขอให้พวกเราคณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้เดินให้ตรงเพราะเป็นแม่แบบแม่ฉบับเพราะนั้นการ หลวงพ่อเองในฐานะเป็นหลวงปู่หลวงตาอยู่ในเขตอำเภอนายงหลวงพ่อมองไม่เห็นอย่างอื่นที่จะให้ครูบาอาจารย์เดินตรงยิ่งกว่าศีลธรรมจริยธรรมของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกท่านกล่าวเอาไว้แล้วศีลศีลธรรมเนี่ยศีลเป็นเครื่องคุ้มครองโลกทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ถึงจะไม่มีศินบริสุทธิ์บริบูรณ์ศินห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์แต่ก็เดินตามแนวแถวของสินห้า่าให้มันออกนอกลู่นอกทางจนเกินไปไม่ใช่ว่าเราออกนอกลู่นอกทางจนเกินไปก็ทําให้ครูบาอาจารย์เสียสูตรเหมือนกันนะ เ, เสียความทรงตัวเหมือนกันคือครูขาดศีลธรรม เพราะนั้นขอให้พวกเราอย่างวันนี้ะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวหลวงพ่ออยากจะเน้นย้าสำหรับให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายอยู่ในกลอบเป็นตัวอย่างอยากจะให้ลูกศิษย์ดีอยากจะให้ลูกหลานดีก็ต้องทำดีให้ลูกหลานดูไม่ว่าท่านผู้ใดมีอ้ไยไม่ใช่ว่าหลวงพ่อพูดในแต่ครูเท่านั้นพูดให้หลวงพ่อด้วยหลวงพ่ออยากจะให้ลูกศิษย์ลุกหาดี หลวงพ่อก็ต้องทำดีให้ลูกศิษย์ลูกหาดูนี่แหละมันเป็นหลายๆขั้นตอนแต่จะให้ลูกดีพ่อแม่ก็ต้องทําดีให้ลูกดูนี่แหละอันนี้ก็คือศีลธรรมเราจะมองวอะไรทําดีนั่นคืออะไรทําดีก็คือศีลธรรมเนาะนี้ออกจากจุดนี้ไม่ได้เพราะนี้เป็นจุดที่มาตั้งแต่ดึกดำบรรดคนโบราณเขาคิดดีแล้วมาถึงยุคเรา เราก็คิดดีแล้วว่าศีลธรรมนี่ไม่มีอันไหนที่จะยิ่งกว่าในการประพฤติเพราะนั้นศีลธรรมข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติที่พวกเราท่านทั้งหลายจะรับไปเนี่ยนะท่านานานๆหลายปีหลวงพ่อจะได้พูดให้ฟังลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังที่มาบรรจุใหม่ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่จะเป็นครูคุณครูเก่ากนะ็เถอะนะอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าฟังแล้วลืม หรืออาจจะแกล้งลืมหรืออาจจาะไม่ได้สนใจหลวงพ่อจะเน้นย้ำอีกปีหนึ่งหลวงพ่อที่มาอยู่กับลูกกับหลานกับคณะจัดถ า, า ญ, ญาติโยมนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายถือว่าเป็นน้องๆ้อ ง, อง ล, ลูกลูกหลานหลนของหลวงพ่อก็แล้วกันนะพอหลวงพ่อเดี๋ยวนี้อายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามเข้ามาแล้วนะลูกหลานนะเจ็ดสิบสองปีเต็มเมษาเนะพราะนั้น พวกเราท่านทั้งหลายยังทำราชการอยู่แสดงว่าเป็นน้องๆเป็นลูกห ล, ล้านหลานของหลวงพ่อนะเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังหลวงพ่อฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสน า, ศาเป็นเวลาทังหกปีไม่ไม่60ปีได้ยังไงลูกหลานเพราะหลวงพ่อบวชมาแต่แต่แตปีศูนย์แปนับถือนะเป็นพระ52ปีเป็นเนนอยู่8ปี รวมแล้วทั้งสองทั้งเป็นสำเนินแลทั้งเป็นพระด้วยปีพอดีเพราะฉะนั้นชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นเวลา60สิบปีพูดอย่างนั้นได้ในการศึกษา60ปีนี่แหละหลวงพ่อซึง้งถึงใจออหรือว่ามีแนวคิดอย่างไร เ, เกี่ยวกับพระธรรมคําสอนของพระพุท ธ, ธเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้นํารทำคําสอนอความในใจและ ว, ว่าคํา ที่หลวพ่อได้ศึกษามาปฏิบัติมาศึกษามาจากครูบาอาจารย์บ้างประสบปการณ์บ้างแล้วก็เชิญค้นควาศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้างมีหลายทางจะกนั้นมาประมวลให้คณะสัทธายาติโยมลูกหลานได้ฟังเออศีลธรรมของพระพุทธเจ้านี่มีคุณค่าจริงนะสมมติว่าข้อที่หนึ่งนะพระพุทธเจ้าบาัญญัติศีลอย่าฆ่ากัน ถ้าเราไปคิดฆ่าเขาด้สิต่างคนต่างคิดฆ่ากันพวกเราคิดดูจ ะ, จะหาความสุขได้ไหมเราเวียงระวังอยู่ทั้งวีทั้งวันเอาไปมันมันจะไปขุดหลุมอยู่ขุดรูอยู่นะ่ะกลัวเขาจะมาฆ่าแล้วเพราะอะไรเพราะคิดฆ่ากันต่างคนต่างคิดฆ่ากันเพราะเป็นพิษเป็นภัยต่อกันเนี่ย พ, พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการไม่ฆ่ากันดีไหมเพราะนั้น สินของพระเจ้าข้อที่หนึ่งมีคุณค่ามากถ้าเล่าต่างองค์ต่างโกนต่างอยู่ต่างไว้เนื้อเชื่อใจกันก็มีความสุขอันนี้คืออย่าคิดฆ่ากันคือศินข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข่าพรเจ้าจงงดเว้นในการฆ่าคนอื่นเขาเขามาฆ่าเรา เ, เป็นยังไงเราไปฆ่าเขาเป็นยังไง ในเมื่อเราไปฆ่าเขาฆ่าพ่อแม่พี่น้องของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาฆ่าเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันถ้าต่างคนต่างทำรวมระวังอย่าไปคิดฆ่ากันมีความสุขไหมต้องมีความสุขนะไม่แล้วเวียงระวังกันแต่มาหาเลี้ยงชีพของใครของเราสิลข้อที่สองอธินาธานาเวรมณีอย่าไปขโมยของเขาถ้าเขามาขโมยของเราละ่ะเราไปขโมยของเขาละ่ะ เขาก็เสียใจเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นเรื่องขโมยของเขาที่จริงเขารักสงวนห่วงแขนเท่าไรเขายิงทุกมากของเขาเสียหายของเราก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เขารบสิทธิ์ซึ่งกันและกันคำว่าขโมยคำนี้ไม่ใช่ขโมยของจิบจ่อยนะขโมยใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยขโมยทั้งพ่อทั้งแม่พี่น้ององศาคณะญาติลูกสามีภรรยาเขาไปเรียกค่าไทยยางไงเขาเสียใจหมเราเสียใจห ออต่างคนก็ต่างเสียใจด้วยกันเพราะอะเพราะของที่เรารักสงวนห่วงแหนอันนี้คือศินข้อที่สองอธิข้อที่สมกาเมสุมิจฉาจาราเวระมเนสามีภรรยาลูกหลานของขายของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาละ่ะเขาเสียใจไหมเขาเสียใจถ้ามาเขามาล่วงล้ำเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทซึ่งกันและกันเพราะต่างคนต่างมีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานสามีภรรยา เคารพสิทธิ์เช่งกันละกันดีไหมนี่แหละสงบพร้อมเย็นเป็นสุขท่านต่างคนต่างไม่เคารพกันจะมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายนะลูกหลานคณะสัตย า, าติโจมนะอันนี้คือสี่ข้อที่สมข้อที่สี่มุสาวาทาเวระมเน อ, อย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุ๋นกองหกหลอกลวงคนอื่นเขาเขามีเขาก็เสียใจเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเราก็เช่นเดียวกัน เออตกลงกันดิบดีพอเขียนเช็คให้พอเอาเช็คไปขึ้นบัญชีไม่มีเงินเสียใจไหมถ้างเงินน้อยไม่เป็นไรเออรอยสองสาม0้อยสถ้าเงินเป็นล้านขึ้นไปเป็นแสนเป็นล้านขึ้นไปมันเสียความรู้สึกหาความสัตย์ความจริงต่อกันไม่ได้เพราะนั้นโลกทั้งโลกถ้าหาว่าไม่ไว้ใจาหาความไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้ต้มตุนโกหกตอแหลกันอยู่ตลอดเวลา จะหาความสุขได้ยังไงในชุมชนและสังคมกลุ่มนั้นเพราะนั้นสินข้อที่สี่ก็เป็นสินที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งเอ่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในพระบาลีท่านว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีให้พวกเราสังเกตดูนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายถ้าใครก็ตามโกหกต้มตุนหลอกลวงตอแหล จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีเพระพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนั้นข้อที่หสุราเมระยะมัชฌะปมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียร์หรืออย่างอื่นก็ตามคัญชายาฟินเฮโลอินโคเคนหรือมีชื่อและไม่มีชื่อก็ตาม ถ้าหากว่าดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วขาดติอันนั้นเป็นว่าสงเคราะห์เข้าไปในสุราเมลัยพอมันดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วขาดติในเมื่อคนขาดจิตแล้วทำความชั่วในทุกอย่างสินข้อที่ห้าเป็นสินครอบจักรวาลก็ว่าได้เพื่ออะไรเพราะคนขาดติแล้วจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จละล่าลาประรวงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้ จะโกหกต้มตุ๋นหลอกโง่งใครก็ได้เพราะขาดการยับยั้งเพราะขาดสติเพราะนั้นขอศินข้อที่ห้าเป็นสินครอบทั้งสี่ข้อทั้นด้วยเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อรู้คุณค่าของศินแล้ว น, ะนี่แหละสินของพระพุทธเจ้าสินคุ้มของโลกทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขท้าวว่าพวกเราอยู่ด้วยกันเป็นผู้มีศินเพราะนั้นขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ถ้าว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะไปสอนเรื่องศีลธรรมให้กับนักเรียนก็ยกแนวความคิดของหลวงพ่อไปสอนให้เด็กนักเรียนให้เขาได้ฟังได้ศึกษาได้เพราะอะไรเพราะศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวถ้าว่าพวกเรามีแต่ความ อ, อยู่ด้วยกันด้วยความมีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอยู่มากน้อยกอ็ไว้เนื้อเชื่อใจกันมีแต่ความร่มเย็นผาสุก ถ้าหากว่าไม่มีศีลธรรมแล้วอย่าหวังเลยความสุขจะเกิดขึ้นในชุมชนของเรามีแตว่วาดระแวงกันอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเมื่อพวกเราคุรู้คุณค่าของศีลแล้วหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาต่อ น, นี้ไปก่อนที่จะให้พรวันนี้หลวงพ่อจะ กล่าวเรื่องราวอะไรให้ฟังสักก่อนนะเพราะพวกเราดนนานๆครูบาอาจารย์ทั้งหลายปีที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้มามาปีนีนะ้ไม่ใช่ว่าได้พบทุกปีอีกต่างหากปีหนึ่งมีครั้งเดียววันครูแล้วก็บางปีหลวงพ่อก็ไม่ได้มา ปีนี้ลงมาลูกพ่อได้มาพบกับครูบาอาจารย์ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งเป็นวันครูสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพครูอำเภอนายูชาติพัฒนาด้วยครูดีมีคุณภาพ สิทธิ์าบซื้อในพระคุณในพระในพระคุณของครูเอ่อปกติธรรมนะชาติจะพัฒนาด้วยครูดีมีคุณภาพสิทธิ์ทราบซื้อในพระคุณของครู16มกราคม2560ณ ห, หอประชุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมในหละวันนี้เป็นวัน มงคลมาหามงคลยิ่งาชาติจะพัฒนาไปได้ก็ต้องครูบาอาจารย์ต้องเป็นหลักหลักสําคัญเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงได้แจกเหรียญก้าหารยศสอ ส, อสอให้กับครูบาอาจารย์เอาไปเคารพสักการะนะ เ, เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เ, เหรียญแต่ทุกปีที่หลวงพ่อได้เอา MP3 มทีสามแจกแต่ปีนี้เอาเหรียญเจ้าพักุลสมเด็จที่เขามาถวายหลวงพ่อนะไม่ใช่หลวงพ่อสร้างขึ้นมาเองหรอกเขามาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อได้รับแล้วหลวงพ่อก็คิดถึงลูกถึงหลานถึงครูบาอาจารย์นี่แหละจะได้เอามาแจกเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งได้มาพบกับครูบาอาจารย์ แต่ถึงยังไงก็ตามได้มาพบกับครูบาอาจารย์หลวงพ่อเองอยากจะเน้นย้าเรื่องการเรียนการสอนการศึกษาเพราะทุกวันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเมืองไทยของเราการศึกษาก็จะว่าเก่งหรือก็ไม่ก็มีการตำหนิโยนกันไปโยนกันมาสรุปแล้วก็คือเป็นหน้าที่ของทุกคน ครูบาอาจารย์ก็โยนให้พ่อให้แม่พ่อแม่ก็โยนให้ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เผื่อๆอยังยกมาโยนมาให้พระสองฆ์องค์เจ้าอย่างหลวงพ่ออีกหลวงพ่อก็มีส่วนอีกเหมือนกันนะาจะว่าไปแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมด้วยกันทุกคนที่จะให้เด็กดีเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆคนให้ถือว่าเป็นหน้าที่นะ และก็วันนี้กท่านนายอำเภออาเภอนายูงของเรามาเป็นประธานเป็นผู้ใหญ่ในงานวันครูของพวกเราและกับข้าราชการครูทั้งหลายที่กเกษียณไปแล้วท่านก็ให้ความสําคัญมาร่วมงานวันนี้ครูวันนี้ของพวกเราที่หลวงพ่อได้รับทราบมาทั้งครูกศนอด้วยทั้งครูอําเภอนายงด้วยทั้งหมด330ร้อยสาคนยังไม่นับ ครูช่วยสอนครูผานโรงอีกต่างหากนะนี่แหละอันนี้ก็เป็นคือกลุ่มของครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นของหลวงพ่อเองอยากจะฝากกับครูบาอาจารย์พวกระดับตั้งแต่ครูช่วยสอนนะนะั่นแหะที่ได้รับเข้ามาแล้วอยากจะให้ช่วยดูกันดูแลเด็กนักเรียนของพวกเราถ้าจะว่าไปแล้วเด็กนักเรียนของพวกเรานี่เหมือนกับฝันเฟือง ฟันฟืองใหญ่ฟันเฟืองเล็กจนถึงโน่นฟันเฟืองตัวใหญ่สูงสุดคือปริญญาเอกมันต้องมาจากฟันเฟืองเล็กซะก่อนคือฟันเฟืองเล็กมันหมุนหมุนหมุนมันก็หนุนกันขึ้นมาเป็นลําดับลําดับถ้าหากว่าฟันเฟืองตัวเล็กๆตั้งแต่อนุบาลเข้ามาเรียก็สอนยางไม่รู้เรื่องปถมเข้ามาอ่านหนังสือไม่ออกพอถึงมัธยม ก็ผักดันไปเรื่อยพอถึงอพอถึงมัธยมเสร็จแล้วก็ส่งเข้าไปาปริญญาตรี อ, อะไรทางปวชปวสอก็ดันไปอกีกพอในสุดมันไม่รู้เรื่องมาตั้งแต่ปถมนะมันจะเรียนหนังสือได้กย่ายไเด็กของเราเพราะนั้นไม่มีใครที่จะรู้ ยิ่งกว่าครูบาอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์ของตอนเองขนาดหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อยังมีลูกศิษย์หลวงพ่อก็ยังมองดูทุกองค์ของลูกศิษย์ของหลวงพ่อองคไหนมีแววยังไงองคไหนจะเป็นยังไงองคไหนรู้ฉลาดยังไงหลวงพ่อก็ยังมองอันนี้พวกครูบาอาจารย์สอนกันทั้งวี่ทั้งวันยู่ในปถมออปอหนึ่งนัก เ, เรียนของเรานี่ จะทำยังไงจึงจะเรียนจึงอ่านออกอพวกเราไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าครูโรงเรียนถ้าว่าครูโรงเรียนใส่ใจในลูกศิษย์ของตัวเองคือวิชาชีพของครูของเดวรักวิชาชีพของครูแล้วต้องรู้ว่าลูกศิษย์ของเราเนี่ย อ, อ่านหนังสือออกหรือสะอาดจือไม่ออกถ้าอ่านไม่ออกเราจะมีวิธีแก้แก้ไขอย่างไรอันได้เราอยากจะให้ครูบาอาจารย์ทุกคนรับผิดชอบ ในหน้าที่วิชาชีพของตนเองนะถ้าหาว่าครูคนไหนหรือว่าครูสมัครเข้ามาสอบวิชาครูเขากำลังมีไฟอยู่พออหรอครูใหญ่ครูเก่าควรจะมอบหมายให้เขาเออเอาให้สอนเด็กนะจะทำยังไงเด็กจึงจะรู้ภาษาไทยรู้เรียนออกอ่านออกเขียนได้เอาไปฝึกขัดดูซิ มอพ่ายครูครูใหม่นะเขาก็เข้ากำกับเด็กได้ดีจากนั้นเขาก็จะสอนเด็กพอสอนเด็กขึ้นมาแล้วก็ครูใหญ่อพอ อ, อ่อดีครูใหญ่ก็ดีเอามือคขว้หลังดูว่าเขาสอนกันอย่างไงถ้าเขาสอนโอด้ดีมีเหตุผลออกมาดีเราก็ควรจะสนับสนุนถ้าหาว่าเข้าไปเด็กแล้วชวนเด็กเกเรทําเด็กให้เสียหาย ครูใบใหญ่ครูบาอาจารย์ยก็ต้องต้องถอนออกมาเออใช้ไม่ได้ออไปชุมกันเนี่ยใช้ไม่ได้เด็กออครูใหม่เนี่ยเข้ามาเนี่ยใช้ไม่ได้เสียหายอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ยในโ ร, โรงเรียนหลวงพ่อว่านะออในเมื่อเราสอนเด็กนัเกเรียนอ่านออกเขียนได้เด็กนัเกเรียนของเราพอส่งขึ้นมัธยมมัธยมก็รู้เรื่องหมดเด็กเก่งนะ อ่านออกเขียนได้ถ้าว่าขนาดปฐมยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วจะทำยังไงเ ล, เลขเราจะเก่งได้ยังไงภาษาหนังสือไม่เก่งล เ, เลขก็จะเก่งได้ยังไงสมมติว่าเนี่ยขึ้นกระดาษนนไก่สามตัวมีกี่ขาบวกกับหมูหนึ่งตัว จะเป็นกี่ขาถ้าเด็กอ่านหนังสือไม่ออกมันจะออกไรไหมอ่านไม่ออกไก่เป็นยังไงหมูเป็นยังไงแล้วมันจะบวกได้ยังไงมันจะเก่งมันเสียหายไปทั้งหมดเลยจะนี่นี่แหละหลวงพ่อว่านมันน่าจะใส่ใจนะเอออันนี้ก็ขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะหลวงพ่อได้ยินมาว่าพอผักขึ้นมาเป็นเรื่อยๆจนถึงมัธยมก็อ่านหนังสือไม่ออกบางคนแล้วจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นให้หน้าที่ ครูบาอาจารย์ทุกคนที่นั่งต่อหน้าหลวงตาหรือหลวงพ่อเนี่ยอยากให้พวกเรารับผิดชอบร่วมร่วมกันเอ่ตั้งแต่เบื้องแรกตั้งแต่ฟันเฟืองเล็กเนี่ยนะเอ่ฟันเฟืองเล็กหมุนฟันเฟืองใหญ่จะเกับหมุนกันไปเรื่อยๆหลวงพ่อเองอยากจะได้อยากจะได้ยินเหลือกเกินว่าอา่ำโรงเรียนอ่เอ่ยโรงเรียนยุงทองพิทยาคมของเราแห่งนี้นะเอ่ยจบมหกไปแล้วเนี่ยสอบเข้าแพทย์ มขอนแก่นยกห้องหอรือวิศวรระยกห้องเนี่ยหลวงพ่ออยากจะได้ยินอย่างนั้นนะลูกหลานนะไม่อยากจะได้ยินว่าโอ้สอบที่ไหนก็ไม่ได้สอบที่ไหนก็ไม่ติดสแสดงว่าโรงเรียนของเราไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นขอให้ฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทุกหมู่บ้านที่มานั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อก่อนที่นรงเรียนยงทองพิทยาคมจะเด่นดังขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยฟันเ ฟ, ฟืองเล็ก อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นขอใหพ้พวกเราทุกคนไม่มีหน้าที่อื่นพวกเรามีหน้าที่อย่างนี้ต้องรับผิดชอบอพอเราได้ เ, เงินภาษีพี่น้องประชาชนว่าจ้างเราเดือนหนึงเดือนเดือ น, อ น, อนละเท่าไหร่หลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อก็ย้ากล่าวว่าเงินเดือนของเราเพียงพอไหม เ, เพียงพอไหมสมมติว่าสมมติว่า ถ้าเราทำงานอย่างนี้ถ้าเป็นเงินเดือนของเราจะเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมให้ถามตนเองน่ถ้าหลวงพ่อหรือใครไปถามเนี่ยอาจจะโมโหให้เขาให้ตัวเองถามตัวเองนั่นะถ้าเราทำงานอย่างนี้ถ้าเป็นเงินเดือนถ้าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมนี่แหละให้พวกเราถาม้าบอพวกเราโอ้ขนาดเลินเงินของเรายังไม่กล้าจ้างตนเองขนาดนี้เน่ แสดงว่าเราทํางานหย่อนมากไงเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะครูบาอาจารย์พวกคนนะให้ทํางานให้สอนให้เต็มที่ตามวิชาชีพของครูบาอาจารย์ที่ที่พวกเราเ ร, เรียนได้ศึกษามาแต่เึงยังไงก็ให้เคารพกันนะให้เคารพกันผู้ใหญ่ผู้น้อยครูใหญ่ครูน้อยให้เคารพตามขั้นตอนกันอย่าไปก้าวไายกันอันนี้จุดที่สําคัญนะ หลวงพ่อก็ได้ถามอีกเหมือนกันเมื่อปีสองปีเขาว่าไต้วัดเป็นหนึ่งของโลกที่เรียนทั้งที่เด็กเรียนหนังสือเก่งติดอันดับโลกหลวงพ่อก็ได้ถามว่าไอ้เขาเก่งเก่งได้ยังไงฮ เ, เขาก็ตอบเขาก็บอกมาว่าเด็กเคารพครูนะเด็กเชื่อฟังครูนะตัวนี้นเป็นจุดที่สําคัญมาเปรเียบเทียบกับเรหลักของพพุทธศาสนาแล้ว ถ้าลูกศิษย์คู่ใดก็ตามไม่เคารพพรครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์แล้วจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีได้ยังไงจะมีความรู้ความฉลาดได้อย่างไรถ้าหากว่าพวกเราก็เหมือนกันจะทำยังไงให้เด็กทั้งหลายยอมรับว่าเราเป็นครูบาอาจารย์ของเขาเขายอมรับเมื่อเขายอมรับสยบเมื่อเขาสยบยอมรับครูบอกอะไรครูสอนอะไร ครูแนะนำอะไรเขาจะน้อมรับยอมรับจากนั้นครูก็สอนวิชาชีพกุอนวิชาให้เขาแต่ถ้าหาวข้ครูออสอนนักเรียนไม่ได้สอนบอกกล่าวเขาไม่ได้และจะทำยังไงถ้าหาะเขาออกจากโรงเรียนไปแล้วเขาจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรอันนั้นเราไม่ว่าแต่ถ้าอยู่ในโอวาทของเราอยู่ใน การดูแลของพวกเราครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ต้องใส่ใจนะถึงยังไงก็จะทำยังไงวิธีการโน้มน้าวให้เด็กยอมรับครูบ า, าอาจารย์ทั้งทั้งหลายต้องช่วยกันจับมือกันในการแนะนาสั่งสอนบอกกล่าวเด็กลูกหลานของแต่ละแต่ละโรงเรียนอย่าไปยุยงให้นักเรียนหัวแข็งนะบางคนนิสัยไม่ดีครูบางคนนิสัยไม่ ด, นน ด, มดีพูดง่ายๆ่ายไปยุยงให้เด็กแข็งกระด้าง ต่อครูบาอาจารย์หมู่เพื่อนเดียวกันอันนี้ก็เคยมีเคยเคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าได้มีครูบาอาจารย์ต้องเป็นแบบเป็นตัวอย่างอยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาดีเราต้องเป็นตัวอย่างให้กับลูกศิษย์ลูกหาดูในครั้งพุทธกาลในครั้งของพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดานะลูกหลานนะการที่จะสอนคู่คนเขาต้องยอมรับสกอรท่านต้องยอมรับสกออ่อร์ในพระไตรปิฎกหลวงพ่อได้ศึกษามาหลวงพ่อยังซึ้ง ในพระธรรมคำสอนออมีมีพาเถระผู้หนึ่งเป็นผู้แตกฉานถ้าจะว่าไปก็คือปทเก้านั่นนะายเจ็บเปรียบเทียบทุกทุกวันนี้นะเป็นมีเป็นคณาจารย์สอนลูกศิษย์ตั้งห้าร้อยคนเมื่อสอนลูกศิษย์กันนะสอนได้สอนสอนตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแต่พอเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ว, ว่าโปรธิรท่านมาอะไร วขาอกโปรตีนัสแปลเป็นภาษาไทยของเราอ่ะท่านไบาลานเปล่าคือไม่มีไบาลานเปล่าเขารู้แลยไม่ไบาลานเปล่าไม่ไบลานไม่มีหนังสือมาไม่ไม่ไม่มีตัวหนังสือนะว่าไบาลานเปล่ามาที่ไรท่านโปรตีนัส ท, ท่านจะไปที่ไหนล่ะท่าจะออกไปแล้วเหรออย่างนี้ตลอดเลยทักทายที่ไรเขาบอโปรตีนัสตัวของท่านเองท่านก็ น, น้อมขอมาหาตัวเองเอใช่ ข้าพระเจ้า บ, บีความรู้ก็บจริงอยู่แต่คุณธรรมที่จะได้สําเร็จพระโสดาพระสกทาคาอนาคาอารหันยังไม่มีสำหรับเราเรายังเป็นใบาลานเปล่าอยู่เลตรงอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนบอกกล่าวจากนั้นโปรธิราชเรียนท่า น, นกเอนคล้ายๆกับวละอายใจเราจะอยู่เป็นคณาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหาอย่างนี้ไม่ได้เราควรออกไปปฏิบัติจากนั้นท่านก็ออก หลบหลีกลีหนีออกไปกลางคืนน่ะอหลบไปแต่ทราบว่านะนุ๊กสุดท้ายปลายแดนห่างไกลพอสมควรเป็นชนบทเป็นหมู่บ้านนอกแต่มีพระอยู่กลุ่มหนึ่งสาสิบรูปมีสมมเนรอยู่องค์หนึ่งอยู่ในในในกลุ่มสามสิบรูปนั้นพระเทระองค์นี้ก็เข้าไปทราบว่าพระเหล่านี้นะพระสามสิบรูป เ, เป็นพระรหัน์ทั้งหมดจนถึงในน้อย ท่านก็ทราบมาแล้วก็เข้าไปก็ไปหาพระเถระผู้ใหญ่ท่านอาจารย์ครับผมมาศึกษาเพื่อจะแนวทางปฏิบัติหาแนวทางปฏิบัตินะเพื่อจะผมยังไม่มีอะไรครับอาจารย์ผู้อยู่ป่าเนี่ยโอ้ไม่ได้อาจารย์ท่านเรียนปริยัติธรรมมาจนถึงขนาดนี้นะสอนคนาศิษย์ั้งสี่ห0 0คนจะให้ผมสอนท่านได้ยังไงเอาเถอะผมรู้รู้ก็จริงอยู่ครับ แต่ผมรู้ในแผนที่เท่านั้นเองผมยังไม่รู้ความจริงตัดกิเลสอย่างในภายในใจองค์นี้ก็รู้พิจนารณาเออไม่ใช่ไม่ใช่เราที่จะสอนพระพระอาจารย์องค์นี้ได้ท่านเป็นพระอรหันต์น่ท่านฉลาดใช่ไหมท่านก็เอาไปหาองค์ที่สองไปองค์ที่สองเขาเก่งนะท่านเก่งนะไม่เก่งนะยังให้เพ่นเป็นพระอรหันต์เหมือนกันใชอ่องค์ที่สองก็ผลักไปองค์ที่สามองค์ที่สามผลักไปองค์ที่สี่ผลักไปเลย จนไปถึงเนน้อยเนนน้อยสุดท้ายใช่ไหมในนีน้อโอ้ยอาจารย์จะมาสอนจะฟังผมสอนผมได้ยังไงอาจารย์เป็นพระผู้ใหญ่แล้วเอาเถอะจำเนนจมเนนพูดอะไรผมจะเชื่อทั้งหมดเอาเหรออาจารย์จริงไหมถ้าอาจารย์จะเชื่อผมผมก็ไม่ว่าผมจะสอนให้พระหรหันต์ไม่ใช่ธรรมดาถึงจะเป็นเนน้อยก็เป็นผู้ฉลาดเป็นพระหรหันต์แล้วหมดกิเลสแล้วเนี่ย อาจารย์ท่านอย่างนั้นไหมอาจารย์ตามหนองผมตามหลองผมไปพอตามหลังไปไปเห็นน้ําหนองน้ําอยู่ข้างทางก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์ลงไปลงไปในหนองน้ําไปลงไปในน้ําไปอาจารย์เขาไม่ได้ถามเหตุผลใหนน้อยให้ผมลงไปในหนองน้ําด้วยเหตุอันใดไม่ได้ถามเพราะในน้อยสั่งก็ลงไปเลยเดินเลยเพราะท่านสั่งให้ลงไปก็ลงไปเดินจุ๋มจุมลงไป พอผ้าจะเปียกท่านน่ะเนนน้อยอาจารย์อาจารย์ขึアアア้นมาอาจารย์อาจารย์ก็ขึ้นมาตามเนนน้อยสั่งพอจากนั้นเดินไปหน่อยหนึ่งอาจารย์เข้าป่าหรือเดินเข้าป่าอาจารย์ก็เดินเข้าป่าส่วมส่วมก็ไปในป่าอีกเหมือนกันเข้าไปอาจารย์อาจารย์กลับมากลับมาเนนน้อยออาจารย์คงจะฟังเราทั้งหมดเราบอกอะไรคงจะฟังทั้งหมดเอเราบอกให้หลงน้ําก็ลงเราบอกให้เข้าป่าก็เข้า อาจารย์ของบททิฏฐิมาณนะคงจะเชื่อเราล่ะเราจะสอนแบดนี้นะแนะ่ฟังดูสิคนที่จะมีความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้ต้องเชื่อครูซะก่อนนะไม่ใช่ดันทุลังถ้าหาว่าบอยให้ลงน้ําจะให้นําสัมเนาให้ลงน้ําให้งโง่อทำไมทํำไมลงน้ำไปเพื่ออะไรมีเหตุผลอะไรสมเน็จะไม่สอนให้เพราะมันมีทิฏฐิแข็งสู้ครูใช่ไหมล่ะเอ่มีทิฏฐิสู้ครูท่านก็จะไม่สอนให้ แต่เนี่ยอมหมดทุกอย่างจากนั้ น, นไปนั่งอยู่ม้านั่งคล้ายๆกับเป็นขอนไม้เลยเป็นก้อนหินนี่แหละนั่งสองคนด้วยกันบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวผมจะแนะนําผมจะสอนนะให้อาจารย์สังเกตที่ผมจะพูดให้อาจารย์ฟังนี่นะให้อาจารย์ตั้งใจให้ดีแล้ฟังฟังตามที่ผมแนะนํามีจอมปลวกอยู่จอมหนึ่งจอมปลวกใหญ่อยู่จอมหนึ่งแล้วมีเหี้ย คือตัวเงินตัวทองอยู่อยู่ในจอมผวกตัวหนึ่งแต่เพี้ยตัวนี้น่ะมันจะมีรูอยู่ห้ารูมันออกไปหากินอยู่ห้ารูวันหนึ่งมันออกไปรูหนึ่งลุกเนินมันออกไปตามตามตามความจะมันอยากจะออกไปนั่นแหละแต่ทีนี้อาจารย์จะจับเพี้ยตัวนั้นได้จับตัวเงินตัวทองตัวนั้นได้อาตารต้องปิดรูซะก่อนนะปิดรูรูที่มันจะออกนะ แล้วอาจารย์กขุดรูดักเข้าไปเลยรูใดรูหนึ่งตามรูเฮี้ยตอนนั้นเข้าไปเลยเฮี้ยมันจะอยู่อยู่ตรงกลางนะอยู่ในรูดักสูงต่ำในต่ำสุดน่ะอาจารย์ก็จะจับตัวเฮี้ยได้ยังดังที่ต้องการอย่างที่ปรารถนาอาจารย์เข้าใจไหมที่ผมพูดเนี่ยท่านเรียนปริยัตมาแล้วท่านกอู้เข้าใจเข้าใจสมเร็นเข้าใจเออเอาถ้าเข้าใจแล้วก็แยกไปนั่งภาวนานไปปฏิบัติ พยายามทําจุดนี้นี่แหละคือจากนั้นก็แยกย้ายกันไปนั่งภาวนาจนจิตรวมสงบพระพุทธเจ้า เ, าเห็นอยู่ใ น, รนพระคันธวุรีแผ่รัชมีมาแผ่นนั้นมามาเทศนาว่าการท่านได้สําเร็จเป็นพระหรหัสในวันนั้นอันนี้นคือพระเถระแต่านี้นมาขยายผลตรงที่ว่าเขาว่าจอมปลวกตัวนีน้คือสมณีให้คํา จำกัดคำว่าจอมปวกทีนี่มีอยู่ห้าหรูดสามเนเณบอกว่าร่างกายของเราเนี่มีตามีตาคือใจของเราไปเห็นรูปไปเป็นทษกเห็นรูปสวยรูปงามก็รักในรูปในรักในรูปนั้นเห็นเพชรนินจินดาเห็นเงินเห็นทองเห็นถ้าผู้ชายก็เห็นหญิงสาวสวยผู้ชายก็ผู้หญิงเห็นบ่าวสว ย, ยลักษณะอย่างนั้นน่ะตาไปเห็นรูป เกิดกิเลสราคะโทสะโมหะขึ้นมาเออแล้วก็เนี่ยนะตัวเฮี้ยมันออกไปหากินนะไปกินไปต่างตาจากนั้นเฮี้ยนตัวนึงออกไปทางหูเออเมื่อได้ยินเสียงเขาล้องลําทําเพลงสนอจอตัวเออดีอกเตยใจกริกขาไปด้วยเอเอคอเพียงไปคอเพลงไปกับเขาด้วยถ้าเขาดา่าเธพ่อเขาด่าเขามาก็นหนักนิ้วคิ้วขาหมดเธนี่เออโมโหโกธาอีกเธนีย เออแปลว่าเฮียตอนนั้นไม่พอใจอย่างมากเออในเมื่อในเมื่อเขาด่าในเมื่อเขายกจ้องเนี่ยเฮียตอนนั้นก็พอใจนี่แหละอันนี้คือเฮียนีน่คือใจใจนี่นคือตัวอยู่ในอยู่ในศูนย์กลางคนใจตรงนี้มันออกทางตาบางังออกทางหูบางออกทางจมกนะูกมันเป็นรูของรูของเฮีย้ยออกหา ก, กินทั้งหมดไอ้จมูกถ้ า, ถ, า ถ, กกนนะะถ้าถูกกลิ่นเหม็นเนี่ยไม่พอใจถ้าถูกถูกกลิ่นหอมก็พ อ, ออกพอใจอีกนี่แหละ ตาหูจมูกเลนก็เหมือนกันได้รับได้ลบรับลบลดอาหารดีๆพอใจไงถ้าลดเปรี้ยวรดเผ็ดรดเค็มมา ก, กเกินไปไม่พอใจนี่แหละสัมผัสทางร่างกายอีกเหมือนกันเย็นร้อนอ่อนแข็งถ้าเราไปนอนในที่นั่งที่นุ่มที่อ่อนก็พอใจอถ้าไปนั่งที่ที่มันร้อนร้อนแข็งแข็งที่เป็นน้ำด้วยไม่พอใจเนี่ยอันนี้คือสัมผัสนะเพราะฉะนั้น ในหลักธรรมที่สัมมันเณรน้อยท่านสอนว่าเหี้ยตัวนี้ออกไปออกหากินทางข้ารูนะท่านนะให้พยายามปิดหลุมปนไว้อย่าให้มันออกอจากนั้นให้ท่านพยายามทําจิตใจให้สงบนะจิตใจก็สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วนะจึงจะเห็นช่องทางนี่แหละสัมปันเณรน้อยสอนพระมหาเถรนะนี่แหละสรุปแล้วก็คือครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่นั่งต่อหน้าหลวงพ่อจะต้องให้เด็กนักเรียนดอมรับสัก่อน ถ้าเป็นอย่างน้อยก็ต้องเชื่อฟังอยู่ในความสงบครูบาอาจาจรย์จึงจะสอนได้แต่ไม่ใช่ว่าสอนก็ไม่รู้เรื่องอะไรครูกขว่าไปเรื่อ ย, อยนักเรียนก็ไม่รู้จะทำอะไรเด็กนักเรียนมันจะเฉลียวฉลาดได้อย่างไรถ้าหากว่าเด็กนักเรียนเอาแบ่งห้องกันสิจัดห้องกันสิจัดโซนกันสิ เ, เด็กฉลาดเด็กมันเป็นยังไงครูบาอาจารย์รู้ทั้งหมดในการวิธีการสอน เพราะนั้นถ้าหาว่าครูบาอาจารย์ใส่ใจในการสอนเด็กนักเรียนนะหลวงพ่อมั่นใจเหลือเกินประเทศชาติบ้านเมืองของเราตั้งแต่ฟันเฟืองเล็กนหนุหนนฟันเ ฟ, ฟืองใหญ่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยจะเป็นผู้นำของอาเซียนได้อย่างท่านองตนเลยแต่ถ้ า, าว่าพวกครูบาอาจารย์โยนกันไปโยนกันมาหน้าที่ไม่ใช่ค่าค่าไม่ใช่หน้าที่ผลในสุดกับสอนไปเพียงเป็นวันวันไป พอได้เงินเดือนไปเท่านั้นเองไม่ได้จะถูกนะหลวงพ่อวานะขาดความรับผิดชอบนะเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์นานทีปีหนนะพวกเราได้มาพบมาเจอกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้แนะนำบอกกล่าวครูบาอาจารย์ให้เป็นแนวทางหรือว่าแนวปฏิบัติตามแนวแถวของหลวงพ่อที่เป็นพระป่าพระหลงพระหลวงปู่หลวงตาของพวกเราท่านทั้งหลายนะ และก็พร้อมการหลวงพ่ออยากจะปาลบแต่ก็ไม่ใช่โอกาสที่จะปารบในจุดนี้หรอกแต่ว่าครูบาอาจารย์เด็กรุ่นใหม่ครูบาอาจารย์รุ่นใหม่พอใช้โซเชียลถึงเยอะแยะยูทูบบ้างเอ่อเฟซบุ o กบ้างโชดแท้แต่เนะีเพราะนั้นหลวงพ่อว่าอยากจะให้พวกเรากระจายขยายผลออกไปหาหมูพวกเพื่อนให้หลายหลายคนที่ได้รับรู้รับทราบเพราะว่าอันนี้เป็นงานของ งานขององค์หลวงตามหาบัวนะหลวงพ่อพูดอย่างนั้นได้นะเพราะหลวงตาเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้มีคุนูปการในกับประเทศชาติท่านหาทองคําเข้าคลังหลวงถึง13ตันกว่านะเงินดอลลาร์อีก10ล้านกว่าดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยออกมาเดี๋ยวนี้เป็นหมื่นหมื่นล้านนะเดไม่รู้เท่าไหร่หลวงพ่อก็คิดพอจิ้มตัวเลขเท่าไหร่มันก็สุดตัวเลขของพ่อก่อนไม่รู้จะคิดยังไงเพราะว่าทองกิโลหนึ่งมันมีอยู่ 56บาทบาทหนึ่งก็สอง0มื่นกว่าบาทถ้าคิดกิโลเดียวดนะ้ถ้าเป็นหมื่นส่พกว่ากิโลเนะี่ยเออมันเป็นเงินเท่าไหร่ถึงมันไม่ใช่น้อยเลยเพราะนั้นเงินของลงตาเข้าหาเข้าคลังหลวงเนะี่ยเข้าไปอยู่ในท้องพระคลังแล้วเราพิมพ์ธนบัตรออกมาก็มีคุณค่ามีประโยชน์เพราะว่าเงินตอนก้อนนั้นไปอยู่เป็นป ร, ประกันในธนาคาร ทำให้เงินของเรามีคุณค่าไม่เป็นกระดาษกองแต็กนะ่ะเงินของเรามีคุณค่าเพราะฉะนั้นหลวงตามีคุณค่าต่อมีประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองไปพูดในสถ า, านที่ใดหลวงพ่อพูดได้เต็มปากเต็มคําสางาพาเผยหลวงตามีคุณประโยชน์นะแต่ต่อประเทศชาติขนาดโรงเรียนยุงทองพิทยาคมของเรานี่ยนะท่านมาที่วัดของหลวงพ่อท่านก็บอกว่าท่านมาเห็นเลย มีครูบาอาจารย์มาไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ชิมก็ชุบประยัพระชุช ป, ประยับเออแล้วถามว่ามีอะไรบอกว่าผมมีที่ดินอยู่ทางแปลงทางซ้ายของหลวงพ่อที่เป็นสระน้นะํานีหลวงพ่อจะไม่ผิดประมาณจะเกือบสิบไร่นะที่แปลงนี้นะเออแต่ในเขาอยากจะได้เจ็ดหมื่นสมัยนั้นเอ่อสมัยนั้นที่ดินก็นเพียงไร่ละพันสพันบาทเท่านเองใช่ไหมล่ะเอ่อเขาจะได้เจ็ดหมื่นดังน้นครูบาอาจารย์ก็อยากจะได้ที่ดินขยายออก ังทางโรงเรียนมันเป็นท้องนาเขาไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อกระชไปทราบเสร็จแล้วลงตาท่านก็นขึ้นไปพูดอะไรโ่าครูบาอาจารย์อำเภอโรงเรียนยุงทองพิทยาคมเขามาหากรัผมเขาอยากจะได้ที่ดินเท่าไรเจ 0,000 ื่นครับผมเขาอยากได้เจ็ดหมื่นครับผมคอเอเอาเลยนะตกลงเลยไดขนาดอยู่อย่างนี้ลกตายัางมาช่วยให้กับพวกเรานะั้นลูกหลาน ถ้าว่าหลวงพ่อจะมาบรรยายให้กับพวกลูกหลานได้ฟังนะหลวงตาทําคุณูปการให้กับประเทศชาติประเทศชาติชา ต, ชาติไทยหลวงพ่อคงไม่ได้ฉันอาหารวันนี้นะแ ต, แต่ถึ้งยังไงมาถึงมาถึงโค้งนี้แล้วนะพวกเราจะสร้างเจดีย์ถวายองค์หลวงตานี่ยนะที่นี่น ะ, ะถวายสร้างเจดีย์ถวายองค์หลวงตามหาบัวเนี่ยคือเดี๋ยวนี้กําลังจะตอกเสาเข็ม วันที่30ิเนี่ยจะลงเสาเข็มละเสาเข็มประมาณพันต้นก่อนนะประมาณพันต้นต้นละ 2,400 พบาทต้นละ 2,400 ันบาทแต่ถ้ารวมแหวกคือรวมภาษีเขาด้วยพอพวกเราซื้อเขาต้องมีภาษีใช่ไหมละ่ะรวมกันแล้วภาษีรวมภาษีเขาแล้วเนี่ยเป็นสอง0 0ื่องห0า 680บาทต่อหนึ่งต้นนะตออหนึ่งต้น2อ6 8 0้นบาทเสาเข็มยาว21เมตรความใหญ่ของเสาเข็ม 30, 35คูณ35คือฟุตกว่าน่แหละเออ่ะประมาณประมาณออกมาแล้วประมาณว่าประมาณไม่ใช่พันต้นนะเอนับเลียงดูชัดเจนแล้วประมาณหนึ่งพัน 1251ต้นนี่แหละอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินแล้วเนี่ยถ้าหว่าผู้ใดอ ย, อยากจะเอาเสาเข็มก็ได้หรือไม่เอาเสาเข็มบอกกล่าวกันหลายๆคนก็ได้ เ, เพื่อบูชาพระคุณหลวงตาแล้วโอนเข้าบัญชีล้วนะทีโอนเข้าบัญชีนะแต่หลวงพ่อไม่ได้บอกให้พวกครูบาอาจารย์ กระเป๋าแดกก้กระเป๋าน้อยนะแต่หลวงพ่อพูดให้อยู่ในโซเชียล น, นให้ผู้อยู่ในที่คำพูดของหลวงพ่อนเนี่ยชื่อบัญชีเสาเข็มพิพิธภัณฑ์ธรรมะเจดีย์เขาบอก ม, มีชื่อเลยนะบัญชีเสาเข็มพิพิธภัณฑ์ธรรมะเจดีย์โดยหลวงพ่อสุดใจทันตะมโนธนาคารไทยพาณิชย์สาขา ถนนทหารจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชีเจ1 2สองหนึ่งสองสาเจดหสอง้าขีดเก้าสองเจเจดสองหนึ่งขีดสองสาเจดหสองเก้าขีดเก้าอันนี้คือ บัญชีที่จะตอกเสาเข็มเพราะฉนั้นขอให้ลูกดานครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้ท่าผู้ใดได้โซเซียนส่งสองตอคันไปด้วยอันนี้คือหลวงพ่อไปสถานที่ใดถ้าเป็นชุมชนใหญ่อย่างครูบาอาจารย์วันนี้ลนะตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปหลวงพ่อประกาศเป็นวันแรกนะี้นะเป็นประกาศเป็นวันแรกต่อไปหลวงพ่อไปอยู่ณนะสถานที่ใดหลวงพ่อจะประกาศให้พวกเราคณนะสัทยาญาติโยมมีส่วนร่วม เ, เมื่อเราหลายๆลายคนส่วนร่วมอโอนเข้าบัญชีนี่เลยเไม่ใช่โอนเข้าบัญชีหลวงพ่อนะโอนเข้าบัญชีเจดีไอ้เข็มเสาเข็มเลยนะแต่เจดีจะแยกกันนะจะแยกกันเราจะไม่เอาเราจะไม่ส่วนพิพิธภัณฑนะ์เมื่อตอกเสาเข็มเสร็จแล้วนะเราจะมีสัญญาอีกตัวหนึง่งแต่ตัวนี้ตัวสัญญาเสาเข็มเสาเข็มที่จะตอกลงพื้นดิน หลงพ่อเปรียบเสมือนว่าพวกเรารักเคารพในองค์หลวงต า, เ, าเทิดทูนบูชาในองค์หลวงตาพวกเราเหมือนกับเสาเข็มหนึ่งเหมือนกับเราลงไปยืนอยู่ข้างล่างปนมมือฮะปนมมืออยู่ใต้ฐานพระเจดีย์หลวงตาหลวงตาจะขึ้นไปอยู่ข้างบนของพวกเราที่ท่านได้นําสั่งสอนบอกกล่าเป็นผู้มีคุณูปการต่อพวกเราเป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติบ้านเมืองนี่แหละพวกเรา ลงไปเสาเข็มเก็ยืนปนมมืออยู่ข้างล่างนี่แหละหลวงพ่อเนี่ยองหนึงละ่ะในวัดของหลวงพ่อะหลวงพ่อก็จะรวบรวมโอนเข้าบัญชีนี้เหมือนกันนะการณัติทาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะอันนี้เป็นบอกกล่าวเรื่องการบุญการกุศลหลวงพ่อเองไม่เคยบอกไม่เคยแผ่ไม่เคยขอนะไม่เคยบอกกล่าวเรื่องบัญชีอย่างนี้ให้นถ้าจัดฐานที่ใดๆแต่หลวงพ่อเห็นว่าลวงตามีคุณูปการกับประเทศชาติบ้านเมือง เพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้บอกกล่าวให้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนไม่ว่าอยู่หน้าสถานที่ใดถ้าหากว่าผู้ใดใช้ธนบัตรของเมืองไทยใช้ธนบัตรไทยและเกี่วกับนั้นทองคําของหลวงตากับดอลล่าของหลวงตาต้องมีส่วนทําให้ธนบัตรไปนั้นแข็งมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่าน ผู้ลำลึกถึงพระคุณขององค์ล้องตากันช่วยๆกันนะคนละไม้คนละมืออันนี้ก็นอกประเด็นสักหน่อยแต่ก็อยู่ในประเด็นนะพวกเราอยู่ในคนในชาติอยู่ในพุพทธศาสนาอยู่ในชาติก็ช่วยกัน เ, เพื่อทําคุณูปการให้กับประเทศเมื่อสร้างเสร็จแล้วเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนะี่ยคนต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษามาเขาก็จะได้เห็นโอ้เออนี่ยแะพระที่บ้านเมืองสมัย ปี3940กําลังถูกต้มยํากุ้งประเทศไทยคราวนั้นน่ะนี่พระองค์นี้หละ่ะหรงตาองค์นี้หละ่ะ อ, ออกมาหาทองคําเข้าคลังหลวงได้ทองคําทั้ง13ตันกว่า เ, เงินดอลลา่าอีกทั้งพันกว่าดอลลา่าทั้งสิล้านกว่าดอลล่านี่แหละอันนี้แหละคือส่วนหนึ่งเพราะนั้นหลวงพ่อไม่ได้คิดใกลอีกนะหลวงพ่อเนี่ยคิดไกลกว่า น, นั้นอีกนะลูกหลานนะหลวงพ่อเนี่ยอาจจะอยู่ในป่าดงพงไพ แต่หลวงพ่อคิดว่าคิดไม่ผิดอีกต่างหากนะอย่างองค์หลวงตาก็เป็นตัวอย่างที่ดีของพี่น้องประชาชนประวัติของท่านสวยงามแล้วในหลวงของเราอีกต่างหากนะในหลวงของเรานี่เป็นผู้ทำคุณอุปการให้กับประเทศชาติในเมื่อพระ อ, องค์ถวายพระเพลิงไปแล้วถวายพระเพลิงไปแล้วเนี่ยผมพ่อว่าน่าสมควรยิ่งรัฐบาล ควรจะทําพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าจุหัวรอเก้าของเราให้พวกลูกหลานได้ศึกษาพระองค์ปฏิบัติตนอย่างไรสมัยเป็นผู้เยาวเมื่อครองราชดไปประกาศอย่างไรเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เ, เพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนเนี่ยพวกเราศึกษาจากนั้นพระองค์ก็ทํามาโดยสม่สมําเสมอพระองค์ปฏิบัติต่อพระราชชนีพระองค์อย่างไรได้คร อ, อบครัวพระองค์อย่างไร ตอบประสงค์นี้ก่อนข้าราชการอย่างไรตอบคนชนบทชาวป่าชาวอยอย่างไรล้วนแล้วแต่เป็นประวัติอันสวยงามทางนั้นควรจะศึกษานั่นแหละผมพ่อว่าควรจะเป็นประวัติเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ลูกหลานได้ศึกษาเท่าผู้ใดมีอุปนิสัยอิสัยมีจิตใจกว้างขวางจะถือยึดถือแนวพระองค์ท่านเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่าง เศรษฐกิจพอเพียงหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองทีเดียวนะหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นข อ, อาบาัดนี้ก็ได้พูดให้กับครูบ า, าอาจารย์ต่อนนี้ไปหลวงพ่อพูดยาวใจสักหน่อยแต่วันนี้นะแต่ถึงอย่างไรเขาให้เป็นแนวความคิดสำหรับครูบ า, าพอาจารย์เพราะพวกเราท่ชั้นปัญญาชนาที่ฟังอยู่ในขณะนี้นะหลวงพ่อไม่ได้ถือเป็นอย่างอื่นนะ หลว ง, งพ่อพูดให้ชั้นปัญญาชนระดับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาได้เรียนรู้และพวกเราที่พูดให้ฟังแล้วไม่ใช่หลวงพ่อจะโน้มน้าววะต้องเชื่อนะต้องเชื่อหลวงพ่อเอง น, นะหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นอีกเหมือนกันในเมืพูดออกไปแล้วใกล้พวกเราท่านทั้งหลายนำไปคิดนำไปการกลองตรายตองด้วยเหตุและผลในเมื่อมีเหตุผลมันลงตัวนะเออไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่ฟังก็ต้องฟังเพราะเหตุไรเพราะ มีเหตุผลจะต้องฝังนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อไม่ได้เอาดันทูลางแล้วใช้ทิฏฐิตามความเห็นของพระไปขม่มไปบอกกล่าวไม่ใช่นะลูกหลานนะขนาดพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเป็นบวรุปวัครูแท้ๆนะพอท่านแสดงจบลงไปแล้วนะท่านยังถามว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรที่ตถาคตตรัสไปนี้นะ่ยพูดไปนี้เนะ่ยเธอเชื่อไหมพระสารีบุตร ยังขอนพระเจ้าค่ะยังไม่เชื่อนะอปฏิเสธต่อหน้าพระพุทธเจ้าต่อพระพักพระพุทธเจ้าด้วยพระสงฆ์ทั้งหลายคือหาคันโอโหท่านสารีบุตรทําไมทะนงตนขนาดนี้หัวแข็งขนาดนี้ขนาดพระพุทธเจ้าถามตอดหน้าแท้ๆยังปฏิเสธจะกล้าปฏิเสธอย่างนี้โอโหแสดงว่าทะนงตนลืมตัวอย่างมากพระพุทธเจ้าวะดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายเดี๋ยวเราจะถามอีกเพอทั้งหลายฟัง ทำไมเธอจึงไม่เชื่อสารีบุตรเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปตั้งกรองไตรตรองด้วยดีซะก่อนแล้วก็นำไปอยังไม่ได้นาไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นําไปปฏิบัติแล้วเห็นผลอย่างไรมันเป็นดีด้วยได้เชื่อถือหรือไม่ได้เชื่อถือข้าพระองค์จะกราบทูลเมื่อภายหลังพระเจ้าขาดในระสงให้ฟังเอาไว้ได้ไดยินสิ่งไหนมาก็าตาม อย่าไปเชื่อทีเดียวต้องฟังด้วยเหตุด้วยผลเมื่อฟังแล้วมีเหตุผลอย่างไรแล้วจึงค่อยเชื่ อ, อยึงค่อยตัดจิตใจเชื่ อ, อไม่ใช่ว่าได้ยิดขึ้นมาแล้วก็ฟังแล้วก็เชื่อทั้งหมดไหมทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเนะี่ยอย่าไปหูเบานะทุกวนันนี้มีโซเชียลมียูทูบมีเ c e b o o k อะไรตรงมีอะไรต่างเยอะแยะไปหมดถ้าลูกหลานคณะ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายหูบบาเเนะชื่อเขาไปหมดไม่ได้ลเลยไม่ใช่ไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะไม่ใช่ว่าํามคำสอนของพระพุทธเนะจ้านะครักครูบาอาจารย์นะอตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนะพรนะนัีเนะ่